ก็จะเธอไปไม่ได้คือคำว่าไม่ได้อย่างนี้งเพราะว่าเธอมีพันธะอยู่ตงสงฆ์เขาอนุขข่มเขาบุคคลเรื่องหลังแทนฉันต่อไปเธอจะต้องแทนฉันอยู่พักหนึ่งจะรับอุปการะคือว่ารับการถ่ายทอจดจากฉันในการบำรุงวัดในการบำรุงพันศาชนาแลเมื่อพัรศาเธอได้ยี่สิบพันศาเธอตจงออกจากวัดแต่ว่าอยากเข้ามานในตอนนั้นเธอจะได้ ธรรมะทุกอย่างตามที่เคยตั้งใจหลังจะยี่สิบปัญหาไปแล้วต่ภายในบรญหาที่ยี่สิบตัวนี้ถ้าฉันตายไปแล้วเทก็อาจจะทุกข์โลงไปบ้างสาหรับสมาธิยาพิจารณา่าณงานหลายอย่างขมาประดังถือเธทวีต้องรับภาระทํางานทุกอย่างที่ฉันทําไปแล้วรับภาระสงเคราะห์อนุคราะหบรรดาประชาจินองหลายที่เป็ิทธยาแล้วสิของฉันเทวีต้องรู้ที่ว่านี้ไปก่อน เจใจอย่างนี future, ้ท่านก็เลยบอกว่าเอาเถอะแม้แม่เอมีความปรารถนาจะเที่ยวสวรรค์เที่นรกผมยกสอนให้วันท่วนี้เธอจะไปได้ให้ท่านดีใจช่งนี้เธอต้งเตรียมตัวไวเดี๋ยวเมื่อเมื่อฉันเข้าเช้าแล้วจงโนตรงอยู่ว่าตรงภา้าดรห้ครบครันผ้าจักรีทำสมาธิให้ทรงชันสีถ้าฉันว่างจากแฉ่ฉันจะแน้นำนี้เสือเธอจะได้เที่ยวไดยฉันสี ทำอย่างนี้จอกว่าฉันจะไปแนะนำเธอฉันฟังแล้วฉันก็ดีใจพลืบอกปลื้มใจคิดว่าแค่ๆก็ตายแล้วเกิดใหม่หร้วว่าจะได้เงินสักหลายหลายล้านก็ยังดีใจเลยทั้งเวลาจะได้เที่ยวสวรรค์เช่นนั้นลูกนั้นเวลาเช้ากลับจากบิณฑบาตฉัอาหารเสร็จฉันก็เข้าหอ้องประมา เม่อสบงส่วนจีวรผางาติเข้าสมาธิส่ฌานางลังกันตาความปัจจุนาที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมพัปานให้เขา้าระสินจะเป็นรกใด ก, ห น, กหนึ่งกองใดแทงเข้าจะกระสินตามลำดับเต โ, ซโซอาโปวาโยแล้วก็วาถัดน้ำถัดดินถัดลมถัดไฟแล้วเข้าโอทาจะกสิอนอ เอกกระสินต่างๆท่าดีเข้าใจก็ไม่ม่ขอกลาือละเข้าถึงฌานสีเข้าสอันนี้ฌานสี่พสบายใจก็เข้ากระสิต่อไปขอนุกสินกงนี้เข้ากระสินกอน้อออกจากกระสินกอน้อเข้ากระสงกองต่อต่อไปสลับกันไปสร้างความเพลิดเพลินใจให้สุกชิโดยจับนิมิตกระสินเ่นิมิตจะมีบทภาวนาโดยเฉพาะ ฉันก็เล่อย่างนั้นจกระทั่งถึงเวลาเพลูลวก็ไม่มาสักทีนจละจากทีนีไม่อยากลุกจากนั่งไยาจะิางลสมาธิมงอย่างนั้นอยาจะให้มันเ็ีว่ากสฐานฐานะที่ร่างกายจะต้องเรียงห่านักไม่ทรมานร่างกายการกดเป็นอตาาองร่างกายอยูุ่เวลา้ันเพราะฉัน มทืท่านเห็นหน้าฉันนั่นก็บอกแบบนี้ตอนเช้านี่ฉันไม่ว่างเลยเธอตอนเชิญฉันเข้าแล้วนะไปทำต่อใหม่นะนฉันบ่ายฉัจะไปสอนเธอื่อฉันเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็ไม่ยอมพับจับมานุสบงตรงจีวรผ้าสังขาริเข้าเครื่องชุดเป็นที่องพระเขานั่งปฏิบัติเมารงฌานสี่ตลอดเวลา เพราะว่าไม่ปริบัติไปจนกระทั่งบ่ายสองโมงวันนั้นรู้สึกวอากาศร้อนจัดคลุกคลายจากสมาธิมองไปทางหน้าโกติคุณพ่อปานเห็นแข่ที่หน้าโกติคุณท่านประมาณ200คนเศษรู้สึกว่าแทนที่แขกจะถอยน้อยลงไปคนเก่าไปคนใหม่มาเต็มไปหมดหน้าโกติ ทันทีถ้าว่าหลวงพ่อจะมาแนะนำให้ไม่ได้แล้วก็ะจะมีความรู้สึกว่าร้อนจัดเหนื่อโทมทั้งตัวชีวอนเปลี่ยนไปหมดแต่กคิดในใจว่าใ น, นเมื่อหลวงพ่อท่านยังมาไม่ได้เวลานี้มันก็นจัดเราจะเร้จากการเจริญสมาธิสัจจะคราวก็รู้สึกสขขสว่าประวัาตการธรรมดาฌานต่างๆจะเข้าอะไรก็เข้าได้ทันที ตัดสินใจจะไปอาบน้ำชำระร่างกายให้ร่างกายมันเยืยวยาเย็ยเยยนขึ้นหน่อยนึ่แล้วจึงจะเข้ามาเจริญต่อจิตอย่างนั้นแลจึงได้เรลองเครื่องทรงออกเอาผ้าอาบเข้ามาน่งนุ่งลอยชายาที่นุ่งนั้นก็ปรากฏว่าสีเหลืองมันตกไปเหลือแต่สีขาวตีนหนึ่งก็นมามาก้องค อ, งองเดินเข้าไปในห้องน้า ในห้องน้ำเพียงมีตุ่มน้ำอยู่ประมาณ 3-4 มสี่ตุมเใส่น้ำไม่เต็มเมื่อเข้าไปในห้องน้ำแล้วความเยกเย็นมันกปดากฏจึงนั่งลงก่อนก่อนที่จะอาบน้ำก็ตั้งใจว่าจะยอมปล่อยให้เงือมันแห้งซะก่อนแล้วจึงไปอาบน้ำใตามหลักวิชาที่เรียนมาเป็นอย่างนั้นแต่เพิ่งอาบน้งกันบางเงือ แล้วก็ความร้อนยังโชคอยู่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นไข้ได้ไงดีถือตามหลักวิชาเดิมที่มีความรู้มาฉะนั้นเมื่อเข้าไปนั่งพิงตุ่มน้ำแต่ความเย็นก็ปรากฏความสบายใจปรากฏก็ไม่ได้คิดไมาจะเข้าฌานแนมืความเยือนเย็นความสบายใจปรากฏจะปรากฏว่า่านีเข้าถึงระดับจิตบอดีท่านท่านที่ม่ได้ตั้งใจจะเข้าฌาน แต่ความจริงจิตในระดับนั้นในระหว่างนั้นมันก็ยังอยู่ในฌานอยู่ตามเดิม น, นั่นเองหมายความว่าเมื่อเล็ดไปจากที่จิตจะยังอยู่ในระหว่างอุปจาราฌานจะเข้าถึงปฐมฌานโดยการธรรมดาการเจดิญและกรรมฐานท้าละใหม่ๆแล้วจิตจะไม่คลายสมาธิถึงถึงที่สุดฉะนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ระดับฌานสี่โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่าความเดิมจริงๆที่ตั้งใจว่าจะไปท่องเที่ยวตั้งใจไว้ในตอนแรกก่ออยากจะไปเที่ยวชั้นดาวดึงเพืว่าชั้นดาวดึงนี้เป็นชั้นที่มีจิตใจขนใจอยู่มากเปรู้ว่าพระอินทร์เป็นบิดามันเกิดเกล้ามาหลายพันชาติหลายหมื่นชาติแล้วก็หลายวาระที่เคยเห็นพระองค์ท่านมาเยี่ยมถึงสถานที่ ถ้าไม่พูดาปลาใสขั้นได้เดี่ยในตาโอกาสจะเป็นําลองคล้ายๆก็เรีกฝันน้อยๆคล้ายกับเข้าฝันเพะนั่นจิตใจอยู่ในปูกฝันอยู่เฉพาะชั้นดาวดึงชั้นเดียวเมื่อจิตเข้าสู่ระดับการสี่และจิตที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปชั้นดาวดึงนั่นยิน่งตากดร่างขึ้นที่ชั้นดาวดึงโดยเฉพาะไม่ด ไ, ได้ว่าไปโดยบังเอิญมันไม่รู้ว่าไปได้ยังไง รู้สึกว่าจะผิดหลักหลักวิชาเยสักหน่อยแต่ทั้งนี้ก็หมายความว่าอาจจะายได้เพื่อหนึง่งผิดที่กำหนดเละเดีวว่าจะไปชั้นดาวกดิงแต่การที่สองไม่ผิดเข้าสู่สมาธิาดัานซีอารมณ์เวลานั้นเป็นอารมณ์ปล่อยไม่ได้ตั้งใจไว้หมายมความว่า ขณะที่นั่งลงไปไม่ได้ตั้งใจจะทําสมาธิอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเที่ยวอย่างหนึ่งอารมณ์สั้นนิดหนึ่งย่ไม่หนากรโดมที่ไปไม่ได้เข้าถึงฌานสี่เพาจิตคิดตำเหน่งนี้อยู่ว่าเราจะไปเทีย่ยวยฉันเ ด, ดิมเดเราจะไปท่องเทื่อวนอกโลกอาจะเป็นเพียงอย่างนี้ก็มันงเพราะตามธรรมดาจิตทัพตากรดก็มีอยู่ทุกจักรกุกจักรแฝงอยู่เป็ยนิดเดียวซึ่งเป็นอนุสัย เราเองผู้มีจิตหยาบไม่สามารถจะรู้ได้ก็จะปเป็นเหตุขวางทางแก้การขวางไม่จิตเคลื่อนไปได้ตามความประสงค์ทนี้เพราะสายจิตว่างจากอารมณ์ต่างๆจิตเปน็นอเบกขาลมเมื่อจิตเข้าสู่ระดับการสี่จิตกับกายแยกกันยังเด็กขาดจึงไม่ไปได้ตา ม, วาตวามความประสองค์แต่ว่าเหนือความประสงค์อยู่นิดทีขณะนั้นไม่ได้คิดว่าจะไป เมื่อจิตปรากฏร่างขึ้นเป็นชั้นดาวดึงที่แรกทีเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นชั้นดาวดึงขณะที่ปรากฏเจ้ปรากฏเป็นร่างกายตามเดิมคือเป็นรูปพระผ้ากร็นุง่งผ้าลอยชายผิกยวก็ไม่เคยขาวไม่เคยเหลืองแล้วขาวก็ไม่เคยขาวมันมัวมวผ้าอื้นหนึ่งที่คล้องคอก็คล้องคออยู่อย่างนั้นมันม่เป็นเรื่องอัศจริย ปาที่นุ่งอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นอย่างไงก็เป็ปากรดอย่างนั้นแต่ปลากรก็รูปร่างหน้าตาร่างกายผิวพรรณสดใสกว่าเดิมไม่เหมือนร่างกายในเมืองมนุษย์รู้สึกมันมันปร่งใสละเอียดถ้าจะพูดว่าสวยกว่าก็คงจะไม่ผิดคืานที่อยู่อย่อย่างนั้นที่นั่นปรากฏว่าเป็นสถานที่มีสวนดอกไม้ มีสวยสดงามโปรก็อย่างเป็นระเบียบแล้วข้างด้านหน้ามีสาปโปรคนีมีแสงน้ําและยิบยับแปลวาคล้ายคล้ายกับเตตีเขาเป็นกองประดับเขาไว้เวลาน้ํากระเพื่อมดูแพรวาว จ, าจัดจงานึกสงสัยว่าเออนี่เราฝันไปยังไงไอสถานนี้มันเป็นที่อะไรเมื่หมุนตัวไปหมุนตัวมาอาการเวลานั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากความฝัน บอกว่าเดียวเดียวเช้ครูเดียวก็มีเสียงผู้หญิงแววววเดินมาข้างหลังบอกว่าคุณท้าเจ้าเพรคุณเจ้าจคะแม้พระคุณเจ้าวนี้มาโปรดเช่นเนวดขอคุณเจ้าเด็โปรดแสดงว่าธรรมเทศนาโปรดรฉันด้เถิดเหลวไปเห็นหญิงสาวร่างสะคานร่งโปร่ต่งกายด้เครื่องทิพเข้านึ่งผ้านุ่งและผ้าห่มผ้าสมัย เป็นผ้าสีเขียวอ่อนๆมีเครื่องประดับแต้จ้ทั้งกายรูปทรงหน้าตาสวยเสือกใสกระดสาววัยรุ่นอายุบพอเธอกล่าวอย่างนั้นแล้วเธอก็พูดเสียงลยเสียงดังว่าเอาพวกเราเวลานี้มาวดและพามาฟังเทพอเธอพูดเท่านั้นพระกดตัวผู้หญิงไม่กล้ามามาที่ไหนมาจากไหนนับเป็นนเรือนพัน มานั่งล้อมฉันพนมมืออยู่ไ้แต่งกายเหมือนกันกรูร่างหน้าตาสดสวยมีวัยเท่ากันสาวจะจะแค่แต่สาวสสาสาวัรุ่นห <c oughs> น้าตาเฉลิมเฉลิมช้อยสวยวสดงดงามถ้าเราจะเอาภาพทั้งหลายเหล่านั้นหือภาพของสตรีทั้งหลายเหล่านั้ น, าาา น, นมาเปรียบเทียบกับสตรีในเมืองมนุษย์คือคับว่ากดันมาสวยสุดจึงงานประจำปีนั้นเทียบไม่ได้เลย เอาไปเชืก็เขาไม่ได้เข้าใจว่าคนในพื้นนั้นถ้าจะเป็นโรคเรื้อนก็ดูไม่จะสวยดีกว่าคนงามที่สุดในเมืองมนุษย์นี้อีกยิ้มพันก็ผ่องใสร่างกายก็หอมละลื่นฉินตาชื่นใจกิริยาวาจาก็เรียบร้อยท่าทางละมุนละม่อมฉันมองสาวๆทั้งหลายเหล่านั้นตอนจริงจิตไม่ได้เกิดความรัก พรู้ฉันรู้ตัวฉันเป็นพระนก็มามองตัวดูดูตัวฉันพอ ม, มองดูตัวฉันแล้วเห็นผ้าที่นุ่งลอยชายผ้าผืนหนึ่งคล้องค อ, อมันก็ใหม่ใหม่เป็นผ้าเก่าๆเดียวับคล้ายกับพวกอเจเรลกยืนอยู่ในหมู่ระหว่างบุษราทุกชนทั้งหลายลิสิกละอายใจเป็นที่สุดไมได่กล่าวกับพวกเธอทั้งหลายว่า ที่นี่ดูกระนองอยู่เวลานี้ฉันมาที่นี่โดยไม่ตัง้งใจฉันแต่งร่างกายแต่งตัวไม่เป็นตริมนทนตามพระวินัยของพระพุทธศาสนาฉันยังแสดงพระธรรมเทศนาก็บเธอไม่ได้เธอผู้เป็นหัวหน้าก็กล่าวว่าจาว่าพระคุณเจ้าข้าถ้าได้คุณเจ้คุณเจ้าได้โปรดมิฉันเทเถิด บรรดาฉันทั้งหลายไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการเครื่องแต่งตัวต้องการแต่ธรรมะอย่างเดียวเมื่อ้ถามเธอว่าที่นี่เขาเรียกคำว่าอะไรเธอก็บอกว่าที่นี่เขาเรียกคำ ว, ว่าสวนนันทวันแล้วก็เป็นฉันดาวดิสตาที่เห็นข้างหน้าเป็คุณเจ้านันเทริโกาโปก ร, รณีฉันนึกในใจว่าโอ๋หนุน่มเรามาถึงสำนักของโยมแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะคบโยม เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่งกายให้เป็นบริมนทนสมกับที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดและจ ะ, สะแสดงธรรมหรือก็อไม่ควรแต่การสแสดงธรรมพราการที่ตัวเองแต่งกายไม่เป็นบริมนทนม่เคารพในพระพุทธศาสนาในธรรมวินัยโยมสมเด็จพระจอมไตรโดลมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าไม่ควรจะปฏิบัติอย่างนั้น จึงกล่าวกับเธอว่าฉันเป็นผู้ใหม่ในพรทศาสนาจะไม่กล้าจะเทศอะไรได้มากเอก็บอกว่าขอพระคุณเจ้าเด็โปรดเทศตามที่พระคุณเจ้าเจ้าเข้าใจก็แล้วกันก็จึงได้บอกกัเธอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันขอเวลาเธอเพืเทศสักครู่หนึ่งอันจยกลับลงไปสถานที่เดิมไปแต่งกายให้เป็นปริมนฑลเสียก่อน ให้ตั so, so yet, so, so your ้งกายตามระบบพระวิน so, so, ัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ฉันยะมาเทศใน้เธอฟังพวกเธอทั้งหลายก็ยอมรับแล้ก็กล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจะลืมฉันนะว่าปลุกหม่อมฉันจะคอยพระคุณเจ้าอยู่ที่นี่ก็ตั้งใจจะลาเธอก็กลากเ็นว่ามีความรู้สึกขึ้นรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวขึ้นก็รู้ว่าเรานั่งพิงตุ่มน้ําอยู่ เราลุกเข้าไปในห้องไม่อาบน้ําะไรอีกตอนนี้ดีอกดีใจพ่าไปเชื่ยวได้กว่าดึงได้แล้วก็ไปในห้องแต่งตัวเะบุงมันนุ่งอจีบอลมห่มผ้าสังฆาติอนัอนอ น, อนี้ตอนนี้ฉันจ ะ, สะแสดงความโง่ให้บรรดาท่านตูฟังทราบฉันนั้นมันมีความโง่อยู่มากไอ้คนเราที่ว่าไม่โง่แต่มันไม่จริงมันไดชานจะมาบัดไดทั้งชันแปดแล้วก็ยังโง่อยู่เลย ฉันได้ทั้งรูปประฌานและอรูปฌานอันนี้นกลา้าพูดใครจะหาว่าฉันอวยโอตริมนุสสะธรรมนะฉันไม่รับรู้ด้วยเพราะว่าฉันได้พระพุทธเจ้ากล่าคนที่ไม่ได้พูดเป็นการอวยโอตริมนุสสะธรรมแต่คนไหนได้แล้วไม่เป็นการอวยนี่ฉันพูดตามความรู้ที่ฉันทําได้ก็พูดได้ปฏิบัติไนะั้ฉันไม่โกรธใคร ใครจะว่าอย่างไงเป็นเรื่องของชาวบ้านตอนนี้ฉันยังแบกความโง่ค่อพอว้ฉันไกเคยไปในบนสวรรค์ฉันก็ไม่รู้ว่าพระที่ไปบนสวรรค์เขาแต่งตัวกันยังไงที่ฉันเคยเห็นรูปภาพเขาเขียนเขาเขียนรูปภาพถ้ามาไหลเวลาท่านไปสวรรค์แล้วก็ท่านมีไม่เท้าอันหนึง่ง <c oughs> ท่านมีกระปัตอันหนึง่งท่านมีบาตรหนึ่งลูกท่านมีย่ามหนึ่งลูก จังได้กินาปคนทีเขาไปสวรรค์นเนี่ยเขาต้องแต่งตัวอย่างนั้นฉันจะเลยคว้าบาดไอาบาดมันมีมันมีสลกมีสายสะพายค้าบาดคองบาดเขาให้เอาเขานั่นเอาแล้วตัวงโง่เริ่มมาหนึงตัวแล้วหาไม้อะไรเป็นไม้เท้าไม่ได้ก็คว้าไม้แต่เพื่อวนเอาย่ามเขามาคล้องแขนเอากรัตมาถือเขา้าทำท่าเป็นดัมร อีตอนนี้ตอนที่จะเข้าฌานเข้าที่อื่นกลมันจะไม่เข่าต้องกลับเข้ามาในห้องน้ำเข้าที่ห้องน้ำนั่นแหละนี่ความโง่ของฉันแต่ความจริงมันไปได้แล้วจะเข้าที่ไหนมันก็ไปได้จะยืนยืนอยู่จะเดินอยู่มันก็ไปได้อธิษฐานให้ร่างกายมันเดินตามที่เราตั้งใจไว้กิตก็ไปมันก็ไปอันนี้ก็เดินไปตามเรื่องัน้นก็จะทงานตามปกติ มีแต่พูดเพรว่าเคนคุณคล่องแล้วนะถ้าไอคนยังไม่คล่องมันยังไม่เคยมันกลัวจะเข้าไม่ได้ต้องกลับมาเข้าที่เดิมมาถึงก็มันนั่งปุ๊บมาเอาหลังพิงตุ่มน้ำตามเดิมจะนั่งตรงอื่นก็ไม่ได้ต้องจำที่ตอนนั่งเราไปเล่าหลังพิงตุ่มน้ำไม่ทำยศไม่ทันจะเรืเร่องขนมลมหายใจเข้าออกไม่ทันจะเรื่อนมสมาธิจิตมันก็เข้าถึง ตอนสีปั๊บโผล่ปุ๊บ้าไปบนนู้นพอดีไม้นิดเดียวตามทางเราไม่เห็นอะไรปุ๊บปั๊บมันถึงเลยคนที่ยังไม่คล่องที่มีกำลังสมาธิยังเดีไม่พอไม่มีการควบคุมเห็นและว่างทางเหมือนกับคนที่เดินไม่ถนัดข้ามท้องร่องเขามีไม้ไวใ้ให้เดนิน คนที่เป็นโรคเนชาเดินไปตามลำไม้ไม่ได้ต้องกระโดดข้าก็เดินไปตามลำไม้มันทรงตัวไม่อยู่เั่นใดคนที่ยังทรงกําลังชันไม่ดีก็เป็นเชนั้นไปในสถานที่ใดไม่สามารถจะเห็นระหว่างทางได้เพราะกําลังชานไม่ดีพอไปใจช้าไม่ได้มันต้องไปเร็วๆเมือนกับคนกระโดดข้ามรั้วรั้วข้ามลำน้ําหรือคของเล็ก คนที่เดินไม่ถนัดไม่สามารถจะข้าลำไม้ได้ไม้มันเล็กตัวจะเหลือก็ต้องโดาฉะ น, นั้นมากินไปถึงที่เดิมเห็นมันเวิ้ ง, งว้างเปล่ามีแต่สวนใบไม้แต่สาปุกลมีคนแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีจงิดในใจว่าเอนี่นางฟ้าบนชั้นดวาวดื่นกกอนี่โกเองนีเราไปก็เดียวเดียวนี่นะ ก็เธอทั้หลายบอกว่าจะคอยฟังเทวดาตรงนี้ไอ้เราก็จะมาเทให้ฟังในะแอบหนีไปไห น, นเราจะตามไปไหนไม่พบก็คือต่อว่าแกนะโกหกได้นี่เจวนาโกหกกำลังนึกยืนคิดคิดอยู่อย่างนั้นตรองอยู่อย่างนั้นก็บังเอิญมีเทวนาผู้ชาองค์หนึ่งแต่งตัวสวย ส, ด, สดงามแปลว่เครืระดับ ไอ้เมันมีโทษที่ประดับเครื่องเป็นเครื่องทิพยของท่านนะเชี่ยวเก่งๆเลุ่ะยึยดยับจับแขงตาแพร่พาไปสองสามท่านทับกันแต่ว่าทมานไม่สวมมงกุฎท่านเดินมหาดูหน้าตาสดใสเทวดาทั้งหลายที่เห็นไม่กะปิตาเาทวดาไม่มีผงเข้าตาตาไม่กระปิด ตาก็เจริใจมาถึงทั้งกยกมือไหว้ข้อมหลังลงไปด้วยความเคารพแล้พระคุณเจ้ากูรับท่นทานเท้ากูีสุสติเวราชให้มารัตนาพระคุณเจ้าไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทวีเทวสภากรับไม่เขาก็นั่นหัวใจหายว่าเอ๊ะนี่ยังไงนี่เทวดาจะมารวมฟังกันว่าพว ก, พ ก, พกจะฟังพาะไมเทวดาใหญ่ๆจะมาฟัง ยิงถามกันว่าเวลานี้เทวดาประชุมอยู่ที่ธรรมส ภ, ภาเทวส ภ, ภาเนี่ยมากมายเท่าไหรพ่พรบอกว่าหมดดาวดึงเลยเขารับเอาอเขาแล้ว ใ, ใจเต้นตึกตกตกตกนี่มันยังไงกันวะเดี๋ยวเราจะเทศอะไรเราไม่เคยเทศเลยตอนไปบวชมาก็ไม่เคยเทศสีตอนนี้จะทำพวกผู้หญิงเนคงก็ไม่เคยรู้อะไระก็เทศมันส่งก็เทศไดง ตวันนี้าอผู้ชายก็แล้ดีจะพ่ออย่างยิ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะพ่อพรกอินทร์ท่านเป็นพระโสดาบันระเวัดาตั้งหลายท่านเป็นผ้าเดียเจ้าชันสูงก็เยอะแยะพระโสดาจะมีาคาอนาคาก็มีไม่มีเยอะแต่พระราหัตานั้นก็มีเราได้ไต่เพียงช้านโลกีนี่อาจะได้เทสัตว์พวกนี้ตกลงไม่ตกลงแตวัดถึงยังก็ตามเนเมื่อเข้ามาในมืองก็ต้องไปมันหนีไม่รอดนั้น ไปไหนก็ไปไม่พรก็เดินตามท่านทาเดินตามทานไปนันรียว่างทางนะท่านผู้ a ังฉันดาวดึงนี่มันยึดยึดแหววพาจริงจรดีมันหลังไหนจะสวยกดเทิกงามีแสงสว่างมองดูปในเวทยันบิดีมันของฉันเวยจังานนี้ยอดถึงกล้วยอดเต็มระดับประดาพิธีแถวจิตกรรวาวแสงสว่างมาสวยจริจริง มีไม้ของเทวนาแต่หลังจัดมาไปมีมารหลังเล็กที่สุดขนาดเลวที่สุดก็ยังดีกว่าพระราชฐานของพระราชาในเมืองมนุษย์ดยอย่างยิ่งพื้นที่เดินไปก็ประดับประดาด้วยแก้วเจการไอ้้าเจตเการน่ะมันมีค่อย่างกระเพชรเลยกระเอีก่ง้มณนี่มีค่าที่เราจะทไม่ได้แต่ใครมีแก้วมณี หัวเท่าแค่หัวไม่มือนะใส่กระเป๋าไว้มันจะสังแสงสว่างให้ปรากฏจะทำบุคลนั้นให้สวยเดง่งงาย ข, ขึ้นกลางคืนไม่ต้องใช้ไฟแต่เมื่อจะเห็นทานได้ประมาณ 3-4 วสี่วัแก้วมานีถึงแก้วเมียทานี้แต่นั่งแก้วมันีเข้ามาปเป็นพื้นเด่นเอามาเป็นเครื่องประดับกายแม่มันสวยจริงๆบรรณาไม่ถูกเห็นดาราไม่ยกกบสมบ เนื้อร่างกายของทาดาแลไม่อยากเห็นคนไอ้คนอื่นนะ่ะมันมเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ไอ้ตัวเองนะ่ะไม่อยากนเหนตัวของตัวเองมันเลอทีห่เยอะไม่มีอะไรมีเมนันเลือน้ำเหลื อ, ล อ, ล อ, ล อ, องหงททพมนาดๆกเอาซเขาไปเปรียบเทียบกับ้มีโชตไอ้ร่างกายมันเหมือนกับซศพ ร่างของเทวดาเหมือนแก้วมณีนเลกันไม่ได้เลยดนตามเทวดาเขาไปมงเห็นท่านเบญินทั้งเย็นอยู่หน้าเทวสภาจท่านได้ท่านเป็นโยมเคยเห็นบ่อยแกวยาไว้ฉันท่านเรเดินตรงเข้ามาหาบกุตรงย่ามตรงบาด ส่งไม่เท้าส่งตะปัดมาให้มงที่หลังจำไวนะว่ามาบนสวรรค์นไม่ต้องเอาบาดมาด้วยหรอกไม่ต้องเอาย่ามมาไม่ต้องตะปัดมาไม่ต้องไม่เท้ามาไไม่เท้านี่พระเคใช้กันเวลาจะเดินกรรมฐานเข้าป่าช้าที่ได้เกลียกันตัวสัตว์ไม่ให้มาทำอันตรายรองเท้าก็เหมือนกันไม่ต้องใสมาที่นี่ไม่มีน้ำเขาใสสำหรับเวลาเข้าป่าช้า บาทนี้เขาก <c oughs> uh, ็เอาไว้บิดาบาตนเจ้าเช้าก็นี่มันบ่ายด้วนี่คุณจะมาบิดาบาตรในกะเทวดาล่ะยามก็ไม่กันแม่ต่อมาเทวดาเขาใส่อะไรให้ไปเมืองมนุษย์จ็ใช้ไม่ได้ไปถึงเมืองมนุษย์มันก็มองไม่เห็นไม่ต้องแม่ท่านพูดอย่างนี้อายทั้งกับแย่แต่บอกคุณไม่ต้องอายคุณเป็นเป็นลูกชายของผมผมจำคุณได้เทวดาวันนี้รู้หมดคุณเป็นลูกชาย เวลานี้กขรู้ว่าลู ก, ลกชายผมจะมาเขามาเต็มกันหมดในเทวสภามองเดยเทวสภาท่านผุ้ฟังมันสวยในยบยบจัดจ้ดาเจ้าทำในทองไอ้ทองคำนี่มันก็ไม่เหมือนทองคำบ้านเรามันใสสะอาจแต่เราเปล่าชีวิตหลงจับใจถ้าใช้ก็มีแสงออก แล้วต้องมีแก้วเก็บราการประดับประดาปิดแถวเปล่าเต็มรลยยึยับโดยไโดูไปลังคาจะมีลังคาเป็นยอดมีเช้าฟ้าสดใสงดงามมีพื้นโอราด้วแก้วเจราการสิ่งเหล่านี้หาใม่ได้ในเมืองมนุษย์ดูแล้วก็ไม่อยากจะผ่านไปเอเดียว่าจะจาใจต้องเดินก้าวเข้าไปรืนระดูระร่น เข้าปร้างในเห็นเทวดามากมายแต่งตัวแปลก่าละยิตยักมองแล้วคล้ายๆกับตัวหิงห้อยที่จับอยู่ในขอบเปลืกเต็มไปหมดต้นนั้นต้นลำพูแปลว่าเปรี่ยนสีสันวันนะไะดูสว่างสวยเทวดาทุกองค์มีแสงสว่างออกจากกายทุกองค์ไม่สวมมงกุฎ ก็ตั้งใจสดับธรรมพอเข้าไปเห็นโยมผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆแท่นสำหรับประอินที่ให้โอว่าเจดวัวดาเห็นท่านก็ยิ้มมองไปทางข้ายอมผู้หญิงเห็นนางฟ้าคนหนึ่งรูปร่างทมท้ ม, ทมนหน่อยๆเนื้อเต็มรูปพรรณผ่องใสเีืเครื่องรนดับ เ, เต็มเปลี่ยมคล้ายๆเครื่อบรรดับของพระอินทร์แต่เคลื่อนเป็นสีแดงเธอยกมือไหวแล้วก็ชี้ให้ดูหมู่สตุลอีกประมาณรักสองร้อยสองร้อยสามร้คนที่ได้จกกังตัวในสภาพคล้ายคลึกันมีเครื่องบรรดับแปรเปล่าเหมือนกันดูท่าทางทรงอำนาจเธอก็บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นชายาเก่าของท่านเหล่านั้นเห็นก็ตกใจถามว่าเธอเป็นใคร เธอก็ตอว่าฉันแม่สีที่ท่านในเมืองที่เกิดในเมืองมนุษย์ท่านเรียกฉันว่าแม่สีฉันอัครมหาเทวีในสมัยที่เป็นพระราชาทศสมัยโอ้โหตกใจใม่เราีนคู่เก่ามาคั่งอยู่มันเดาดึงจงหมดมันจนไหาเมียก็เขาไม่ได้คิดในใจว่าดีแล้วเขาไม่ลงมาเกิดก็ดีแล้วจะได้เราจมาอยู่ ก็คิดอย่างนี้พเพราเธอจะพูดว่ากระถูกแล้วกก็เพราะว่าท่านลงไปจะเกิดคันนี้ตัง้งใจจะบวชตลอดชีวิตอย่าความเพลินในคัมภีบ า, นนมมาบรามีได้กันจึงไม่ลงไปเกิดเป็นการควนใจท่านเป็นการทำลายบรารมีและเธอตอนมาถามทีว่าลูกขอ ง, า ท, างท่านที่เกิดกับท่านสองคน ที่เกิดในเมืองมนุษย์เป็นลูกผู้หญิงท่านตามพกดไอย่างมาท่านถามก็อย่างนี้ท่นแข็งก็เลยบอกว่าตามยังไงแต่ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นลูกยวยตอนนั้นญาณต่างๆยังไม่ได้ท่านก็บอกว่าก็สัญญากัไม่แล้วไม่ใช่หรือถ้าลูกจะลงไปเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อเวลา น, นี้ลูกทั้งหลายก็มีบรารมีอ่อนจะจ้างบรารมีให้สมบูรณ ก็ท่านบอกว่าท่านได้เกิดคราวนี้แล้วท่านจะจึกผลอบรมลูกให้เข้าสู่ระดับเสียดแห่งความดีที่จะไม่หวันว่นไหวในพรก็ทําคําสั่งสอนในการปฏิบัติดีเพื่อผลแหการบรรลุในภายหน้าหรือชาติเดียวเขาจะได้อะไรต่ออะไรส่งความปรารถนาเพราะนี้ฉันยังไม่มีญาณเป็นเครื่องรู้เลยเขาก็ติบอก ว, กว่าไม่ชาเส่อมไปรูก <c oughs> ันได้เท่านี้ โยมพระอินท์ก็บอกว่าแม่สีเวลามันยังไม่ถึงราะของเธอเนะี่ยยังหนุ่มมากถ้าเวลานี้ไปแสวงหาลูกถ้าวนอื่นลูกเป็นสาวอายุไล่ไล่กันเขาจะหาว่าปฏิปันธ์ผู้ิงไม่สมควรว่าถึงเวลานสมควรล้วฉันเองนี่แหละ จะนำทางไปพระของเธอโดยพบลูกและได้ฝึกลูกผสมความปรารถนาที่เธอตั้งใจไม่ต้องตกใจฉันจะช่วยเธอ <c oughs> เธอยิ้มแล้วก็ยกขึ้นมือไหว้ท้าโกศิตาเทวราชทัานโยมผู้หญิงไม่ว่าอะไรท่านยิ้มสาอกผู้ชายแต่ดูท่านมองดูมองดูไม่กระพริบตาพระเทวดาเขาไม่กัะพริบตาอยู่แล้วแต่มองดู เจบบาผู้ายยังบอกว่าคุณขึ้นไปบนแท่นในแท่นนี่มันอยู่สูงขึ้นไปแล้วแมคนเย็ยนและต้องสามช่คนเพื่อถึงสวยงามมากเชนเคยเข้าไปในพระราชฐานที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินในท่นของพระเจ้าแผ่นดินนีออกคุณนางขบวุ้ไปได้ทองคำทำ ค, คลา้ายๆัตงจากแท่นบนดาวดิก็ไม่เหมือนกันอยู่อย่างที่ ท่นของพันธุ์เนจพระเจ้าแผ่ดินเราเขาบุได้ทองคำแต่แท่นนั้นไม่มีทองคาเลยมีเพื่อนเปนเจ้ามานิโชตเมื่อวันดาประด้าจ ะ, ะเกิด ก, การแต่เดี๋ยดูระยะยึดมีข้าสูงกากันมากทั้งยืนไปนั่งขบวนมันสูงมากเราดูท่าทางเลยๆทุกคนบอกไม่ถูกจิตใจมันตงขวาง้าเป็นดีวัดามองไปแล้วสุดตา ความจริงเทวสัพพา ม, ามองดูข้างนอกมันก็ไม่โตเท่าไรแล้วเข้าไปข้างในที่เธอท่าดงหลายลดูจดลูกหูลิษาเทวนาตั้งหลายหมื่นหลายแสนนั่งแล้วไม่เต็มเทวสัพภานิแปลกเรื่องของสวรรค์นิแปลกพอมองดูนิแปลใจว่าทำไ ม, มเวลาอยู่ข้างนอกมองมันล็กเข้ามาขา้างในมันต้อใหญ่นัก โยมท่านรู้ใจพระว่าดาในนึกไม่ได้นึกตัวรู้ต้อจะบอกว่าเรื่องของทุกข์คับคุณของ